อย่างที่สองก็คือตั้งตัวเองไว้เป็นผู้สูงส่งพวกที่ตั้งตนไว้ตกต่ำเนี่ยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะถ้าเว้นจากเพื่อนคนนี้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้คนนั้นไปยังไงเราก็ไปตามเขาสุดแท้แต่เขาเขานั่นแหละเป็นผู้นำของเราอย่างนี้แหละเรียกมีใจผูกพันแล้วก็ตั้งตนไว้โดยตกตำ่ำตั้งตนไว้ตำ่ำคือขอเป็นผู้ตามส่วนเดียวว่างั้นเถะ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 เสื่อมจากประโยชน์คือคือในคาถาบอกว่าบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์ต่อมิตรย่อมเสื่อมจากประโยชน์เขาโม่แต่ไปโมวแต่เขาเรียกว่าไปก้าวไกลไปยุ่งในเรื่องของเขาเต็มที่เลยอ่ะคืออยากจะช่วยเขาอ่ะด้วยใจผูกพันว่าเขาขาดเราเขาก็อยู่ไม่ได้นั่ยนะเรานี่แหละคือผู้นำของเขาเรานี่จะต้องพึ่งอาศัยเขาทีนี้พอมีความผูกพันคุ้นเคยอย่างนั้นไผ่ทั้งหลายก็ ตามมาบุคคลเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมด้วยตันหาทิถิหรือด้วยมิตรก็ตามก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเพราะว่าเมื่อมีใจเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายแล้วเนี่ยนะภัยทั้งหลายก็จะตามมาว่านํามาซึ่งภัยนะไม่เหมือนโลกุตระธรรมนะโลกิยะทั้งหลายเนี่ยในที่สุดก็นํามาซึ่งภัยแปลว่าความน่ากลัวถ้าภัยอยู่ที่ไหนภัยนี้มีเป็นอัถะของอะไรอัถะ ข, ของทุกข นะเพราะภัยกับทุกนี่คือทุกขังพยัธเถนะทุกขังพยัตเถนะเพราะทุกมีอัตถาว่าหน้ากลัวอนนี้ังอันนจังพยาเถนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปทุกขังพยัธิเถนะเป็นทุกข์เพราะหน้ากลัวอนัตตาอาารกัดเถนะเพราะไม่มีสาระนั่นเอง มาดูข้อความในจูลนิเทศอธิบายคาถานี้เพิ่มเติมเนื้อหาอยัางดีว่ามิตรเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองพวกคือมิตรขรรสกับมิตรบันปะ ช, ชิตมิตรขรรหเป็นไงขครหัสบางคนในโลกนี้ย่อมให้ของที่ให้กันยากสละของที่สละกันยากย่อมทากิจที่ทํากันยากอดทนอารมณ์ที่อดทนได้ยากบอกความลับแก่มิตร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 อธิบายว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์อุดหนุนเกื้อกูลพวกมิตรและคนผู้มีใจดีคือพวกมิตรที่เห็นกันมามิตรที่คบกันมาพวกสหายย่อมทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ชนทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเสื่อมบางทีเนี่ยนะบางทีไอการช่วยเหลือกันบางทีช่วยไปช่วยมาเสียประโยชน์หมดเลยนะเพราะว่าบางคนถ้าไม่มีปัญญายิ่งแก้ยิ่งพันใช่ไหมยิ่งแก้ยิ่งยุ่งกว่างนะันพัน